เปรียบไปก็เหมือนกับที่เราคนไทยนับถือหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตนี่เป็นอันดับต้นๆของพระเก่าแก่ที่คนไทยนับถือท่านเวรหลังก็เหมือนกันนะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่นำคําสอนทางพุทธศาสนาแบบบรรลุ ธ, ธรรมฉับพลันมาเผยแพร่แล้วก็แพร่ยขยายไปถึงประเทศญี่ปุ่น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 ต้องมีอาชีพผ่าฟืนวันหนึ่งเอาก็าฟืนไปส่งร้านค้าแห่งหนึ่งก็บังเอิญได้ยินคนในร้านกำลังสวดมนต์ที่ชื่อว่าปัญญาปรมิตาฮฤุทัยสูตรคนสวดก็คงสวดไปตามประเพณีนะแต่ว่าท่านเวรหลังได้ยินก็ปัญญาก็ลุกโพล่ขึ้นมา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 ผ่านมาพั0สปีแล้วนะก็ยังมีร่องรอยนะของท่านเวรหลางอยู่ทั้งบ้านเกิดแล้วก็สถานที่ต่างๆนี่ต่างจากเมืองไทยนะเมืองไทยนี่ทุวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าตำแหน่งแห่งที่หรือบ้านเกิดของหลวงพ่อโตนี่อยู่ไห น, น, นท่านงที่ท่านก็เป็นคนเมื่อ200กว่าปีนี่เองท่านเวรหลางนี่1ันสามปีนะ ก่อนสุขโขทยัยแต่ว่าคนจีนนี่เขารู้หมดนะบ้านเกิดท่านอยู่ไหนตรงจุดไหนที่เป็นบ้านที่ท่านอยู่อาศัยจุดไหนที่ท่านทำอะไรพัน0มรปีนี้เขายังอนุรักษ์เอาไว้ยังจดจำเล่าขานกันสืบมาแต่ของเรานี่นะย้อนถอยลังไปได้อย่างมากก็200รปีหรือถอยไป2 0 0ปีก็ยังไม่รู้เลยรายละเอียด ของหลวงพ่อโตนี้เกิดตรงไหนนะบ้านอยู่ตรงไหนไม่รู้นะไอ้วัดตวงเซี่ยวเนี่ยเป็นมีเกร็์ประวัติสำคัญนันหนึ่งก่อนที่ท่านบวชท่านเพิ่งมาถึงใหม่ๆนะตอนนั้นก็เรียกว่าหนีภัยมาคนตามลาก็หนีตะซกระเซิงมาเพราะมีคนอิจฉาที่ท่านได้ตำแหน่งสังฆปรานายกองที่หนะอยากได้ท่านก็เลยต้องหนีมา แล้วก็มาถึงเมืองกวางโจมาที่วัดปวงเซี่ยวตอนนั้นกาลังมีการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งคนไปฟังล้นหลามจนกระทั่งล้นทะลักออกมาที่ข้างนอกที่ที่ลานก็ร่งที่ท่านแสดงธรรมอยู่นะหมายถึงอาจารย์ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาคนหนึ่งก็ไปเหลือเห็นทงที่ที่ปักปลิวสวายอยู่ข้างบน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 หรือว่าส่งจิตออกนอกนะจนลืมใจของตัวพระสองกลุ่มเนี่ยเถียงกันเนี่ยนะเอาเป็นเอาตายนะลมไหวหรือว่าธงไหวแต่ว่าลืมดูใจของตัวมันจะมีประโยชน์อะไรนะรู้ว่าธงไหวหรือว่าลมไหวแต่ว่าใจกำลังโกรธนะเพราะตอนนั้นเนี่ยไฟโทสะมันก็เริ่มนะก่อตัวขึ้นมา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 ให้สิ่งสิงหนึ่งนะกับเราเพื่อที่จะใช้ในการดูใจของเรานะสิ่งนั้นเรียกว่าสตินะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับรู้สิ่งภายนอกนะแต่ธรรมชาติไม่ได้ให้แค่อเยตนนะันนาหานั้นเป็นเครื่องมือสําหรับรับรู้อันตรายที่มาจากภายนอกแต่ว่าธรรมชาติยังให้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 ก้อนหินน้ำแหลมไอ้พวกนี้เรียกว่าอันตรายจากภายนอกอันตรายที่เปิดเผยส่วนอันตรายที่ปกปิดก็หมายถึงเนี่ยความโกรธความโลภนะความอิจฉายริอเสรวมไปถึงความเศร้าเสียใจความถือตัวพวกนี้เป็นอันตรายที่ปกปิดคือมองไม่เห็นไม่เห็นด้วยตาแต่ว่าสามารถจะรับรู้ได้ด้วยใจ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 หรือไม่ก็ไปหันหันไปหายาเสพติดเพื่อจะไประ ง, งับให้ความทุกข์ใจแล้วคนที่เข้าหายาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพราะทุกข์ใจทั้งนั้นนะแต่ว่ายิ่งไปพึ่งพายาเสพติดมันก็ยิ่งกลับทําร้ายจิตใจของตัวรวมทั้งร่างกายด้วยสุดท้ายก็ถึงกับชีวิตทุกข้างนอกเนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยมีน้อยลงเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเนี่ย ทุกภายนอกมีเยอะมากนะสิงสาราสัตว์นะหรือว่าโรคระบาดภัยจากธรรมชาติทําท่วมฝนแรงแผ่นดินไหวแต่ในนี้มนุษย์เราก็กำราบอันตรายหรือภัยจากภายนอกที่ให้มันลดลงไปเยอะแต่ว่าที่มันเพิ่มมากขึ้นก็คือภัยปกปิดหรือาภาัยจากภายในนะความโกรธความเศร้าความเครียด ความเหงานะคนเดี๋ยวนี้เหงามากนะแต่ก็ยังสู้ความเครียดไม่ได้นะคนนี้เครียดสูงมากทำไมถึงปล่อยให้ความเครียดมันคองใจเนะี่ยนี่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักรักษาใจพู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาถึงรักษาจิตของตนรักษาจิตนะอันนี้เป็นลักษณะผู้มีปัญญา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 เสียงดังเนี่ยหรือคําต่อว่าดาทอติชินินทาพวกนี้ไม่ได้ทําให้ทุกกายเลยแต่ว่ามันทําให้ทุกใจนะบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานะไม่ได้ทําให้ทุกกายเลยนะเช่นเป็นสิวเนี่ยมีฝ้านะผิวแห้งผมแตกปลายนะผิวคล้ำนะไม่ได้ทําให้ทุกกายเลยแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่กลุ่มอกกุ่มใจมากกับเรื่องเท่านี้ อันนี้เรยว่าไม่รู้จักรักษาใจเสร็จแล้วก็ไปโทษสิ่งภายนอกนะไปโทษว่าคำต่อว่าดาทอทำให้เราทุกขนะ์ที่จริงทำให้เราทุกข์ไม่ได้นะถ้าเรารู้จักรักษาใจดีนะไม่มีใครนะที่จะทำให้เราทุกข์ใจได้อาจารย์แชสาโลนะท่านเป็นพระฝรั่งนะมาบวชที่เมืองไทย ท่านผูน้วิจนาสนใจท่บอกว่าไม่มีอะไรหรือใครจะทําให้เราทุกข์ใจหรือทําให้เราโกรธไม่พอใจสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็เพียงแต่มาชวนให้เราโกรธชวนให้เราไม่พอใจมันอยู่ที่ว่าเราจะรับคําเชิญหรือรับคําชวนนะหรือเปล่านะถ้าเรารับคําเชิญแล้วรับคําชวนเราก็ทุกเองนะ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 มามาถ่ายมาร่วมทำกิจกรรมบางอย่างแล้วเาก็ถ่ายคล้ายๆเป็นเรี l i t y กิจกรรมก็อาจจะเป็นเลี้ยงมา้านะอาจจะเป็นการทำความสะอาดโรงเรียนนะบางทีก็เอาเด็ก78็ขวบมาบางทีก็เอาเด็กโตหน่อยคราวหนึ่งก็เอาเด็กประมาณอายุสิบสิองสิบสามเนี่ยสามคนผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองเนี่ยมาทำกิจกรรมอย่างนึงคือขนของขึ้นรถไฟ รถไฟมันมีเวลาออกที่แน่นอนเพื่อนต้องรีบข น, นแต่บังเอิญบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอ น, นักชกลหรีทองโอลิมปิกเ้าขึ้นชกก็มีการถ่ายทอดสดเด็กสองคนเนี่ยก็แวบไปนะแวบไปดูดูการถ่ายทอดสดที่ร้านกาแฟาข้างสถา น, นีรถไฟก็ปล่อยให้เพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยขนของคนเดียวเด็กคนนี้ก็อายุประมาณ12 13นี่นะก็ก็ขนของนะ ก็ตั้งใจขนนะทั้งที่ทําคนเดียวพิธีกรก็เลยไปถามว่าคิดอย่างไรที่เพื่อนเข า, อาแอบบไปดูสมจิตขึ้นชกนะเธอก็ตอบว่าก็เห็นใจเขาเพราะเขาเป็นแฟนสมจิตนะั้นนานๆจะเห็นสมจิตชกมวยแต่หนูไม่ใช่แฟนสมจิตหนูก็ทํางานงหนูไปพิธีกรก็ยังไม่พอใจคําตอบก็เลยถามแย่เข้าไปอีกนะว่าแล้วหนูไม่โกรธไม่คิดจะด่าว่าเขาเหรอที่เขาทิ้ง งานให้หนูทําคนเดียวเด็กตอบดีนะเด็กตอบว่าหนูคนของคึ้รถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาหนูก็เหนื่อย2 อ, อย่างคนฉลาดนี่จะเหนื่อยกี่อย่างนะคนที่รักตัวเองนี่จะเหนื่อยกี่อย่างนะคนที่รักตัวเองก็ต้องเหนื่อยอย่างเดียวนะั่นก็คือเหนื่อยกายนคนที่ไม่รักตัวเองหรือคนที่ไม่ฉลาดขาดปัญญาก็จะเหนื่อย2ออย่างก็คือเหนื่อยกายแล้วก็ทุกข์ใจ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 หรือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นก็พยายามที่จะจัดการกับมันถ้าคนที่มันดูใจเนี่ยนะเขาจะไม่โทษใครแม้คนนั้นจะทําไม่ดีกับเขาอราจมารู้จักเพื่อนคนหนึ่งนะชื่อโจนจันใดนะโจนจันใดเดี๋ยวนี้มีชื่อมากเพราะว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขาเป็นคนที่บันดาลใจให้หลายต่หลายคนกลับไปที่ผืนดิน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 ไม่ให้แนะนำสั่งเลยนะให้ขัดด้วยบรัโซ่นะบลนะัโซโจก็ว่าง่ายนะเาก็ขัดนะั้นด้วยความตั้งใจขัดเกือบจะเสร็จแล้วพราก็ว่าผู้จัด ก, การเดินผ่านมาพอเห็นก็โวยเลยนะโวยใส่โจนบอกว่าขัดได้ยังไงไอ้ลูกบิดแบบนี้เนี่ยมันใช้บรัโซขัดไม่ได้นะแม่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นคนสั่งให้เขาทำนะ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 แล้วก็บอกขอบคุณครับทําอย่างนี้เนี่ยเป็นประจําจนกระทั่งเพื่อนๆเนี่ยนะหาว่าเขาฟั่นเฟือนนะไอ้นี่โจรมันบ้าแล้วนะถูกถูกด่านี่ยกับยิ้มกับยกมือไหว้คนดา่าบางคนก็หาว่าเขาโง่นะยอมให้แม่บ้าจิกหัวใช้แม่บ้า น, นี่มันทําอย่างนี้ได้ยังไงดา่าไม่ด่ากลับก็บุญแล้วแต่โจรเนี่ยกับไหว้แต่โจรจเขาก็ไม่สนใจนะ เ, เพราะเขาสึกว่าเออทําแล้วมันดีฮะ ก็ทำางนี้ทุกครั้งที่แม่บ้านด่าเขาจกนกระทั่งวันหนึ่งแม่บ้านอดทนทนไม่ได้ก็เลยเรียกเขามาถามว่าเนี่ยฉันสงสัยจริงๆเลยนะทุกครั้งที่ฉันด่าเธอเนี่ยนะเธอกับยกมือไหว้ฉันแล้วก็ขอบคุณฉันทำไมเธอทำอย่างนั้นตัวนกบอกว่าเนี่ยผมยกมือไหว้แม่บ้านนะก็เพราะว่าทุกครั้งที่แม่บ้านด่าเนี่ยมันเตือนให้ผมเนี่ยหันกลับมาดูใจของตัว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 โกรธขึ้นมาก็กลับมาดูใจของตัวกลับมาจัด ก, การความโกรธของตัวที่จริงความโกรธเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเพียงแค่รู้ทันมันนะมันก็หลบหลีกหายไปเนหะมือนกับขโมยเนี่ยขโมยที่แอบขึ้นบ้านแอบเข้าบ้านเนี่ยทันทีที่เจ้าของบ้านรู้เจ้าของบ้านสบตาเนี่ยมันก็มันก็ยอมแพ้นะมันก็หนีไปเองแล้วเวลาถูกแม่บ้านด่าเนี่ยนะจนเขาก็เป็นปุถุชนแล้วก็ไม่พอใจ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 นะกลับมาจัดการพอรู้ว่าใจมันกำลังโกรธกำลังบ่นก็มาจัดการความโกรธนะไม่บน่นผลก็คือใจเป็นปกตินะก็เหนื่อยกายนะแต่ว่าใจไม่ทุกขนะ์ใจไม่เหนื่อยด้วยนะส่วนโจรก็เหมือนกันนะโจรเขากนะ็ใช้วิธนะีขอบคุณซะเลยนะขอบคุณพ่ออะไรเพราะว่าเห็น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 ตอนที่เรานั่งรถเราจะฟุ้งซ่านนะหรือว่าขนาดที่รถติดเราอาจจะขุนมัวแต่พอเห็นไฟแดงก็นะมาช่วยเตือนใจให้เรากลับมาดูว่าเนี่เรากําลังหงุดหงิดกำลังเครียดหรือเปล่าถ้าทําทงี้ได้เนี่ยเราต้องขอบคุณไฟแดงนะคนฉลาดเนี่ยใช้ไฟแดงเพื่อเตือนใจถ้เวลาใครด่าเราก็เหมือนกันนะใครด่าเราก็ให้ถือว่านี่เป็นเครื่องเตือนให้เรากลับมาดูใจนะถ้าทํางี้ได้เนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์เลย ใครด่าไม่ทำให้เราทุกข์นะถ้าเรารู้จักวางใจเป็นหรือว่ารู้จักรักษาจิตด้วยสติเพราะนั้นการกลับมาดูใจของตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะที่เราต้องหมั่นฝึกหมั่นทำเป็นประจํานะถ้าเรารักตัวเองหรือถ้าเราอยากจะได้เชื่อเป็นผู้ที่มีปัญญาชา้าหนิ่เพู่กันเท่านี้นะับครับ